ตเถวาหางมริษามินาทิเมเอถสังสยแปลว่าสัตว์ทั้งหลายกำลังตายอยู่ด้วยได้ตายมาแล้วด้วยจกตายต่อไปด้วยเราจากต้องตายอย่างนั้นเหมือนกันความสงสัยในเรื่องความตายนี้ไม่มีแกเราคําว่าสังขารมีสองความหมายคือหนึ่งสังขารภายนอกหมายถึงสารประกอบต่างๆที่ประกอบกันขึ้น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 กล่าวคือวิสังขารหรือนิทัตันหาเท่ากับไม่มีตันหานั่นเองอตมมัตาเท่ากับอันคอนดิชแนลิตี้อัตมโมโยเท่ากับอันคอนดิชนสังขาจรจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาสิ่งที่น่าปรารถนากว่าคือวิสังขารกล่าวคือ น, นิพพานคือความดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ดังกล่าวมานั่นเองหลักข้อที่สิบ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 อยู่ที่สุขภาพจิตที่ดีต่อไปนี้เป็นคำกรอนสอนธรรมเรื่องอุทานธรรมของพระาศาสนสุผพลแจ่มจัตตสันโลอุทานธรรมของสอจอประดิษฐ์เป็นภาสิทธคำกรอนอักษรสารเทศนาไทยไทยไว้เป็นทาน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 ยามมีมันก็มีมีเหลือล้นแล้วกลับจนมันก็จนจริงหนาอานิจจังดังนี้ไม่ดีนาต้องขอลาอานิจจังดังนี้แลยามจนมันก็จนจนเต็มที่แล้วกลับมีมันก็มีมีนักหนาอานิจจังดังนี้ดีนักนาไม่ขอลาอานิจจังดังนี้เลยไม่รู้ไม่ชี้ดีนักรู้จักใช้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 คันถูกไฟไหม้เผาเศร้าโศกีน่าจะตีเสียให้ช้ำระกรรมสวงอับประมาตปราดชมนิยมนักว่าเป็นมรคคันไลอันใหญ่หลวงให้ประชาสาธุชนคนทั้งปวงพ้นจากบ่วงตันหาสิ้นราขีอ่าหโอโอหน้าอนาดหนอความไม่พอพายุ่งทุกกรุงสี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 ชั่วหรือดีที่ทำกรรมทั้งหลายไม่หนีหายสูญสิ้นไปถิ่นไหนย่อมอยู่ดีกินดีไม่มีภัยรวมเก็บไว้ที่จิตติดตัวเราอ น, นิจจังทั้งนั้นไม่ทันคิดพอเห็นริษณ์อ น, นิจจังลงนั่งเหงาว่าโอ้โออกเอยเ อ, อ๋ยอกเรามามัวเมาอ น, นิจจังจีรังการ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 ใจชะนี้หน้าฉไหนยอย่างไรนาดูเงาวหน้าแล้วคงเห็นไม่เป็นเราปวดฉลาดพูดออกบอกว่าโงา่ฟังเขาโอ้อวดอ้าอยากขวางเขาขัดคอเขาก็โกรธพี้โรธเราเป็นเรื่องเร่าร้อนใจไม่เป็นการเราเลึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสาร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 กายนี่มันจะเน่าเราก็ลาไปสวรรค์ชั้นฟ้านิพานเอย่ยเอวังดังที่ได้แสดงมาสิ้นสุดเทศนาเท่านี้ควรแล้วแก่เวลาหยุดยุดติเฮยได้พลาดปราดช่วยชี้ช่องให้ชนเห็นประสิทธิพรสวัสดีเจริญสีเจริญชนเจริญสุขเจริญพล จเจริญพันธ์เสมอสมัยนิราชทุกข์นิราชโศกนิราชโรค น, รรคนิราชภัยประสงสันกุศลดก็จงสมประสงเทินขอสิ่งพิเศษสรรสรพันธพิพัฒพรจงมาสมโมสร อ, อุปถัมอำานวยชัยมวลหมู่อมิตรหมายก็ละลายละเลือกไป